อ, อโอก า, าสกณะสงฆเจริญพรเจริญนรรมมายังคุณแม่ชีบาจกอบาชิกาทุกท่กทนานจราวนี้ก็มีพระมาทมวัดเจ็ดบาสกมีหกบาจิก า, าสิบสองนช่วงที่สมติปัญญัติทางโลกก็รวมตัวกัน เลี้ยงฉลองวันคริสต์มาสวันปีใหม่รัฐบาลถึงกับประกาศเป็นวันหยุดยาวทางด่วนพิเศษก็เปิดตั้งแต่วันที่ย7ิบเจ็ดให้คนที่มีรถสัญจรไปมามีความสะดวกคล่องตัวระบายรถออก จากจุดศูนย์กลางไปต่างจังหวัดกระจายกระจายออกไปสังคมยุคปัจจุบันเราเห็นเห็นกันอยู่มีความวุ่นวายมีความสับสนทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเป็นเรื่องของใจที่ไกลก็ตามไม่เคย พบทางออกมีกาลยมิตรมีครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังเกิดความเริ่มใสัสตา <c oughs> ก็จะติดกับติดกับของกลลวงของโลกโลกมีกับดักมีกลลวงมีกามมีกินมีเกียรติเกียรติยศนเสริญเราได้เห็นแล้วล่ะ ว, ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นชีวิตที่ขาดทุน เป็นชีวิตที่ท้ายสุดก็คือไหลลงสู่ความเสื่อมเรียกว่าเทวดาตกสวรรค์หรือเป็นเทพบุนรนะเทศูนย์เป็นยังไงนะเวลาเราปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกตัวเราได้เห็นนะเทวะพบุตรคือตัวเองทะเลาะกับตัวเองนะก็คือตอนที่ทำํำมันก็ดีทั้งหมดนะแต่พอทําทไปแล้วมักลายเป็นไม่ดีนะมีผลกระทบกระเทือนกระแทกก็นะามาทําให้เราต้อง มันก็สับสนสงสัยงงความันคืออะไรกันแน่นะไอ้ว่าดีมก็ไม่ดีที่ว่าไม่ดีมก็ดีเสร็จแล้วท้ายสุดมันไม่ใช่ตัวเองทะเลาะตัวเองความคิดมันสอนความคิดอย่างเดียวมันกลายเป็นเราไปสอนคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นก็จะสอนเราธรรมชาติก็จะสอนเราเราก็จะสอนปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงธรรมชาติอันนี้กับลักษณะของเทพแต่อสูรเนี่ยก็คือกลัวความไม่ดีอศนศอสูรก็คือจิตใจมันไม่กล้าหานนะประเภทนี้ต้องมีกินเหล้าเมายาสุาราว่ากล้าหารขึ้นเราเห็นเนียสังคมตางนี้จะฉลองกันปลุกแต่จริงๆก็เป็นเรื่องของธุรกิจนําเมาเป็นธุรกิจ ที่คนต้องการเม็ดเงินทำอะไรกันไนดะ้เอาผิดมาเป็นถูกแต่หลายคนก็บอกว่าเออมันก็ดีนะมันมีส่วนที่ทำให้ชีวิตของเราได้เจอความสุขชั่วครั้งชั่วคราวก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดเพราะผมของเทพแต่เป็นเทพอสูรก็คืออายชั่วกลัวบาปนั่นเองไม่ใช่าไม่ดีแต่ว่ามันมีดีที่สุดอีก ก็คือความรู้สึกตัวนี่เอง <S 2> <S 2> ลักษณะของความรู้สึกตัวมันเป็นคาําภาษาไทยรู้อันนี้เป็นลักษณะของปัญญารู้สึกสึกก็คือมันรู้เป็นปัจจุบันกระทบสัมผัสรู้สึกตางตาหูจมูกลิ้นกายใจสึกกระทบสัมผัสคือตัวภาษานั่นเองตัว ตัวคือตัวไหนล่ะตัวกายยวิญญาณรูปธรรมหรือว่ารูปสังขารการปรุงแต่งทางรูปวโลหะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกวิาศวาศิลป์นะเป็นการปรุงแต่งทางรูปวโลหะศิลปกรรมประติมากรรมเป็นการปรุงแต่งทางโลหะจําเป็นอารยธรรมวัฒนธรมประเพณีต่างๆลักษณะของการปรุงแต่งที่เป็นทางจิตน จิตปรุงแต่งก็คือมันมีลักษณะของกุศลธรรมอกุศลธรรมมีผิดมีถูกมีสมมติบัญญัติเกิดจากความคิดคิดแล้วก่อคิดแล้วลบคิดล้หลงคิดแล้วรักิดล้ชังอันนี้คือตัวลักษณะอาการของจิตที่มันปรุงแต่งเรื่องเล็กเดียวแต่บางทีงก็ปรุงแต่งเป็นดีเรื่องเดิมนะเวลาเปลี่ยนไปปรุงแต่งเป็นไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีพลิกไปพลิกมา จํโบราณนั้นว่าบางทีความรักความรักเป็นความร้ายได้รักกันปานจะกืนกินแต่ท้ายสุดกลายเป็นสตรูลก็มีอันนี้เป็นลักษณะของสมบุกสมบูรณ์สิ่งเดียวสิ่งเดิมแต่ว่ามันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตลามลษณะของแนวคิดมุมมองต่างๆซึ่งมีมากมายเหลือเกินเราก็จึงมาเนี่ยฝึกหัดความรู้สึกตัวให้เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์น ความรู้นะแต่พารู้แล้วเป็นความฉลาดก็คือเกิดการเห็นแล้วก็ปล่อยวางกันไปเห็นด้วยปัญญาละท้ายสดมก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันคืออะไรกันแน่ตามกฎของธรร ม, มการกดตามกฎของกรรมฐานตามกฎของธรรมตามกฎของกรรมฐามรรมนเรามีพฤติกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรม มันมีความรู้สึกตัวมีสติมีสมาธิปัญญามันจะถูกเปลี่ยนเป็นมโนธรรมมโนธรรมคิดก็เป็นธรรมชาติพูดก็เป็นธรรมชาติการแสดงออกทางพฤติกรรมก็เป็นธรรมชาติจนมีภาษาก็เรียกว่าดรามา่าพวกดราม่าทั้งหลายตัวบัญญัติสาวในภาษ า, าไทยเป็นกลุ่มที่ใส่หน้ากากข้าหากันเพราะว่าการแสดงออกแบบธรรมชาตินี่มันก็คือมันบริสุทธิ์พุทพพงษ์ ก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละแสดงออกไม่ได้มีอะไรแล้วก็แล้วไปมันจบในใจทุกครั้งเพราะว่ามันไม่ได้ทําเพื่อยึดมันทําเพื่อจะปล่อยเวีเทีวางทำเพื่อจะเป็นประโยชน์ตอนประโยชน์ท่า น, นก็ประโยชน์นก็ต้องขยายความนิดนึงไม่ได่เห็นแก่ตัวประโยชน์ตนต่างกันก็คําว่าเห็นแก่ตัวมาวัดเพื่อทําประโยชน์เพื่อเอาประโยชน์นประโยชน์สูงสุดก็คืออริยสัพย์ภเยใน ก็คือสติสมาธิปัญญานะคุณธรรมต่างๆความอดทนอดกันนนะอายชั่วกลัวบาปหรือว่าเมตตากรุณาเมตตาเบียขาเนี่ยพรหมิหารสี่คนนี้เราก็ใช้แบบอัปปมัญญาคือไม่ได้เลือกทีลักไม่ได้มักที่ชังเป็นเรื่องของสรรปสับสับสิงน่งมันก็มีเมตตาแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องไดพเดชพระนะ จะเป็นเดชะเตโชไฟนะมันก็โทสะมันความโกรธนะต่อเป็นพระนะอย่างแม่สอนลูกนะบางคนก็ใช้พระเดชนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะี่ก็เรียกพระเดชเป็นพระนะมันพระแม่ธรณีนะพระนะบางทีธรณีก็สูบนะที่แผ่นดินก็ถล่มนะนะีนะ่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติหนะรือว่าพระแม่คงคายนะ พระพรายพระเพลิงเนี่ยมันก็คุณอันนั้นทนมหาหันทั้งหมดก็คือพระเดชและพระคุณถ้ามองในแง่เดียวามาสอนตนอย่างเช่นความหนาวความหนาวเนี่ยมาสอนตนเป็นเรื่องของความเข้มแข็งเนเรื่อ ง, องดูรูดฤดูการีทธรรมชาติก็มอบให้ถ้าใครอดทนผ่านได้ก็รอดโลกนี้ต้องการคนที่เข้มแข็งและฉลาดแล้วก็มีปัญญาอยู่เขาทำสู่ทำแต่ถ้าใคร รนทนไม่ได้ลมหายตายสูญไปโลกมนุษย์มีสุขมีทุกข์แต่เป็นมนุษย์เดรัจฉานก็ต้องตายไปแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ะเปร์โตก็ตายไปร่างเป็นมนุษย์ลมสลายไปไปเกิดเป็นเปลยต่อไปหรือว่าอาสูรกายสัตว์นรกพวกนี้อยู่ไม่ได้ในร่างมนุษย์มันร้อนลุ่มหาเรื่องฆ่าตัวตายหาเรื่องเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนสัตว์ พ่อแม่ไม่ได้สนใจรูกผัวตัวเมียเพื่อนฝูงไม่ได้สนใจพี่น้องกันก็ไม่ได้สนใจไม่มีสมมติบัญญัติมนุษย์ก็จึงมีนกฎกติกามารยาของสังคมแต่ละชุมชนก็เกิดจากตัวปัญญาตัวสตินี่เองเกิดจากการที่เราได้รู้อะไรที่เป็นคุณเป็นโทษนี่เองพระคุณบางทีพรหมวิหารสี่มีพระคุณ พระคุณก็คือให้รางวัลนั่นแหลนะพระเดชก็คือลงโทษนะั่นแหละอันนี้ก็เป็นภพภูมิของพรหมนะที่มันเป็นเรื่องของความดีความงามนะแต่ว่าเรามาเห็นความจริงกั น, นอันนี้เรื่องยากที่สุดนะการมาเห็นความจริงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรื่องของกายจนะสงสารอันนี้เห็นยากบางทีเอความแก่มนเป็นลักษณะของอาชีพก็ได้ส ว, ม, วมงามมือเนะี่ย กลายเป็นอาชีพเรื่องของหลายคนที่มองความแก่เป็นเรื่องของอัปลักษ์รื่องเรื่องของอัปมงคลแม้มาเป็นเทวทูต ส, สอนตนก็ตกเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อธุรกิจของความสวยให้ความงามเนี่ยเราก็ได้เห็นเออมันก็จริงนะที่โบรานท่านว่าคนฉลาดคนมีปัญญาก็เอาเปรียบคนมีปัญญาน้อย ก็แล้วตกเป็นเหยื่อโลกนี้ยังเหมือนเหยื่อที่ก็เกี่ยวกับเบ็ดเอาไว้ไขรเปคุบ ก, ก็เงือกฉีกเหมือนกับปลาเวลาเขาตกปลาเอาเหยื่ออร่อยอรอยไปเกี่ยวเบ็ดเอาไว้เสร็จแล้วปลามันก็ไม่รู้ยีนย่นงอี่เนรหิวเกินไปตะการตกรรมเกินไปก็ไปฮุบก็นายพรานเบ็ดก็ตวัดทีเดียวก็เกี่ยวเงือก โล่นี้ก็จะเหมือนจะเป็นอย่างนี้ต่างๆาหูจมืน่นกายใจวัตถุ ก, กามคุณต่างๆถลงหูเข้าไปมันก็ติดมันมีรสชาติของความอร่อยก็เรียกว่าอ ส, สาศทะพราเสพจึงติดพระติดจึงอยากเพรอยากจึงเสบจึงทาให้เป็นวัตตะกับดัก เ, เกิดความอร่อยแม้ทั้งคิดก็อร่อยพูดก็อร่อยทาก็อร่อยทานานๆก็จะเป็นจริตนิสัยติดในวิญญาณโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริต อาการเหล่านี้กรไกของการฝึกสติปัญฐาการเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะที่เรามาฝึกมหัดเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นได้เห็นอาการต่างๆที่มันเชื่อมโยงต่อเนื่องสัมผัสสัมพันธ์เป็นกฎของธรรมชาติพอหลงจึงมีแล้หนะของอันทพธานในท้ายสุดพาไปสู่ความทุกข์นะถ้ารู้ก็มีท้ายสุดก็คือนิพพาน พาไปสู่สุดยอดของความสุขเสมสารในการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งในโลกใบนี้โลกมนุษย์มันก็มีลักษณะของตัวเราที่เรียกว่าศาสนาเราเชื่อว่าตัวเรามันมีจิตพุท ธ, ธะอยู่ที่มันรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกับ 2,000 ป, ปีทีม่มีมหาบุรุษค้นพบก็คือเจ้าชายศิท ธ, ธัตถะท้ายสุกก็คือได้เป็นศาสดาเอกของโลก จนทั้งปัญญาชนทั่วๆไปยอมรับเราก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกันไปจนทั้งมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันผ่านอะไรกันมามากมายแล้วกันแต่ท้ายสุดก็คือมันเกิดความเชื่อประเภทหนึ่งขึ้นมาคือเชื่อว่าการฝึกสติปัฏฐานสี่ท่องไปในกายท่องไปในเวนาท่องไปในจิตท่องไปในธรรมชาติต่างๆของกายรูปธรรมนามธรรมต่างๆมันจะทําให้เราเหมือนกับว่าเห็นความจริงะ ความจริงที่มนุษยชาติทุกคนจะต้องเจอแต่ว่าการที่เราจะได้เห็นตามกําลังสมควรแก่การปฏิบัติก็จะต้องเรียกว่าเริ่มต้นมีสิ่งแวดล้อมที่เราไปอยู่ที่นี่มันมีสิ่งแวดล้อมมีกาลยานมิตรมีบุคคลจากนักบุคคลมาที่นี่มันมีกาลยานมิตรจากนักบุคคลอย่างเช่นคนจีนเมื่อวานเขาไปที่สระร้อยปีหลวงปู่เทียน เสแล้วเขาไปกราบก็บอกว่าอาจารย์รงสงศิลป์เน่ย เ, ออเห็นก็ว่าอาจารย์ทรงศิลป์พาสปอร์ตนะ ม, มันมันมันหมดเดินทางไปเมืองจีนน่ะไม่ได้ต้องทําก่อ น, นก็อยากจะให้ไปนะ เ, นเดินไปิีการนที่ปักกิ่งเนก็เอางี้ถ้าหากว่าอาจารย์ยังทําไม่ได้ก็จะเลื่อนไปก่อนถ้าอาจารย์ทําได้ก็จะ ตกลงกันอีกทีหนึงวันไหนชัดเจนจะได้เตรียมตัวทางเมืองจีนคอยกั น, นก็แสดงว่าประเทศจีนก็ไม่มีบุคคลลักษณะนี้หรอกนะไม่มีลักษณะของคนที่ไปชีน้นะํามื่อเขาไม่มาเราก็ต้องไปเชื้อเชิญกันอะไรเงี้ยก็นะอยู่ที่นี่เขาบอกว่าคนทุกคนในวัดป่าสุกต่อน่ะนะเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงจริเหนะมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนบ้านของเขาวัดป่าสุกต่อนะ หลวงพ่อเขียนเหมือนพ่อมีความรู้สึกเหมือนพ่ออบอุ่นอยู่ที่นี่แล้วมีความรสึกอยาะรักเมืองไทยนอยากจะอยู่ที่นี่ก็เลยบอกว่าเออไปเมืองจีนไปคุยอวดเลยนะว่าประเทศไทยนะมีที่อยู่ห้าร้อยกว่าไรเป็นเป็นที่ของเราเองนไปคุยแล้ว ก, ก็ยิ้มขึ้นมาเลยมีความเู้สึกเหมือนกับเป็นเจ้าของวัดป่าสุกโตเนี่ยคือนโยบายนโยบายของ ผู้ที่เขาสร้างวัดสร้างว่าก็คือเปิดกว้างเระสมควรแต่ว่าเปิดกว้างให้ทุกคนได้มาศึกษาชีวิตศึกษาตนฝึกตนสอนตนฝึกสติมันจะเกิดการสอนตนขึ้นมาก็ลองดูก็แล้วกันลองนั่งสร้างจังหวะสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงมันจะเป็นยังไงมันก็จะโอยไม่ได้หรอกนั่นแหละมาเริ่มสอนแล้วความเจ็บความปวดน เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นบรรดามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ต้องฝึกเห็นความตายเป็นธรรมดาแล้วแค่มันเจ็บเป็นธรรมดาแค่มันแก่เป็นธรรมดาเนี่ยตัวนี้มันเห็นหรือยังหรือว่ารู้สึกตัวนี่ยรู้สึกเป็นหรือยังเกินไหวกระทบสัมผัสรู้สึกนหายสงสัยหรือยังตรงนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทำายังสงสัยอยู่คาใจอยู่ไม่ได้ทำหรอก ใจนางสรางง้างวก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นใจเดินจงกรมก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นลองทํำดูเราจะเห็นว่าเออมันมีปรากฏการต่างๆที่มันชวนไม่ให้ทํามาจุดอ่อนตรงนั้นเลยเป็นจุดอ่อนของการศึกษาเรียนรู้แทนที่จะขยับจากอนุบาลเป็นปถมปถมเป็นมัธยมมัธยมเป็นอุดมศึกษาอุดมศึกษาเรียนจบเรียกว่าเรียนจ บ, นจบแล้วท้ายสุดก็คือเข้าใจน ว่าเอออาการของกายอาการของจิตใจเป็นไงก็พร้อมตายแล้วก็ทาอยู่ทําให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นไหมก็เรียกว่าไม่ประมาทเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตรงเนี้ยหมประโยชน์ตนก็มีประโยชน์ท่านก็มีประโยชน์ตนเปน็นยังไงก็หมายถึงว่าอยู่คนเดียวได้อย่างสบายประโยชน์ตนเะลแล้วเกิดประโยชน์อยู่ทังไหนก็อยู่ได้ใ น, ในโลกใบเนี้ไปเถอะไม่ได้มีความทุกข์อะไรหรอกแต่เห็นปัญหาแน่นอนอนะ แต่ไม่ได้มีความทุกข์อันนี้ก็คือประโยชน์ตนแล้วได้มากระผ่านไปได้มากระผ่านไปได้มากระผ่านไปเขาเรียกวลักษณะของอายะสมัมภะประเภทนี้เขาเรียกประโยชน์ตนไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะว่าศีลก็จะต้องนําสุขมาให้แน่นอนอันนี้คือกฎของมันศีลจะต้องนําโภกรัพย์มาให้แน่นอนอันนี้คือกฎของมันศีลนาความเย็นมาให้แน่นอนอ น, นี้คือกฎของมันกฎของศีลเลยคนที่ไม่รวยนคนที่ขาดศีลแน่นอนเราดูออก คนที่ไม่มีความสุขยังไงยังไงก็ขาดศีลคนที่ไม่มีความเย็นในอกในใจยังไงยังไงบาดฐานเบื้องต้นไม่มีแต่ศีลจะเกิดได้ไงศีลก็ต้องมีความรู้สึกตัวศีลก็คือการที่เรามาเห็นกายปกติวาจาปกติเขาเรียกว่าศีลถ้ากายวาจาปกติเขาเรียกว่าศีลแน่นอนร้อซมันเป็นยังไงที่เราปกติก็เราเห็นเลยว่าเออคำพูดเป็นคําพูดที่ธรรมดาธรรมดามาก แต่บางเอื่นว่ามีศีลก็ต้องมีสติมีปัญญาทําไหมว่าถ้ามีศีลก็คือล่าหนะของความเป็นปกติพูดเป็นปกติแต่ว่าทาไมมีปัญญาปับ๊บมันจะเกิดเล่าหนะที่ว่ามาที่นี่พูดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะอย่างหนึ่งไปที่อื่นพูดอย่างเดียวกันนะอันนี้มีสิทธิ์โดนแนะ่ แต่มาที่นี่ที่นี่เป็นถิน่นเราพูดอย่างนี้แต่ไปที่อื่นพูดให้กลมกลืนกับเขาคนนี้พูดอย่างนี้คนอื่นอ๋อลักษณะนิสัยอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนกันเพรานจะพูดไม่เหมือนกันก็เลยสังเกตลักษณะของคนถ้ายิ่งมีอาการห ย, ยาบหยาบรุนแรงเราอย่าจี้หยาบหยาบรุนแรงไม่ได้เราจะต้องอ่อนอ่อน คือปรับสมดุลแต่ใครที่มีอาการแบบอ่อนๆอันนี้ใช้อาการรุนแรงเพื่อปรับสมดุลใคจะมีอยู่อันนี้เห็นจากครูบาอาจารย์นี่เองนะครูอาจารย์ก็ได้ทำอย่างนั้นกันทั้งนั้นแต่ก็จะมีบางคนบางท่านบางทีก็จะหักดิบเลยก็คือให้รู้เลยว่าความทุกข์เป็นอย่างไรให้รักษาใจเอาเองโดยเาะคนที่มีอารมณ์ปฏิบัติ ที่มีอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยก็จะใช้คำพูดที่ตรงไปตรงมาเลยบางทีก็หักมุมมันก็จะดิ้นขึ้นมาเลยจากข้างในนะปี๊ดขึ้นมาอันนี้จะเป็นสภาวะธรรมภายในที่เราจะต้องเข้าใจตัวเราตรงนี้เราต้องขอบคุณกันก็เหมือนกับพ่อกับแม่เวลาเขาสอนลูกนะก็เต็มที่เลยแต่จริงๆเครื่องในไม่เป็นไรข้รงในไม่มีอคติไม่มีลักษณะของการปรารถนาร้ายแต่เป็นเรื่องที่อยากให้ลูกได้ดี อันนี้เราก็จะได้เห็นโอมันมีลักษณะอาการต่างๆพฤติตกรรมต่างๆที่แสดงออกมาทําให้วาจาก็ผิดปกติทําให้ร่างกายเราก็ผิดปกติศีลก็หายไปสมาธิมันเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องของจิตตรงๆเลยสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งไหนก็ตามมันเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นกับสิ่งไม่ดีแต่มีความสุขนั่นก็เรียกว่าสมาธิแต่แล้วมิจฉาสมาธิ ตั้งมั่นอยู่ความดีความงามแล้วก็ความจริงอันนี้เป็นลักษณะของสั ม, มาสมาธิตั้งมั่นเหมือนกันส่วนปัญญาเป็นยังไงปัญญามีแบบปัญญาแบบโลกโลกก็คือฉลาดทํางานมีความสําเร็จโลกโลกตามสมบติณปัญญัติรู้จักข้อกฎหมายวันี้ข้อตกลงของชนุนชนมาตรฐานความรู้ความสามารถออยอรับรองพวกนี้มาตรฐาน อ, อมกศาสตร์และศิลที่เป็นวิชาการ ในตำราตาราก็มาใช้อย่างเงี้ยนะเช่นคำนวณมาว่าเหล็กเส้นเส้นหนึ่งสามารถรับแรงได้เท่าไหร่เหล็กเส้นแต่ละขนาดแต่ละขนาดรับแรงได้เท่าไหร่ก็เรียกว่าหุนได้นะหรือว่าภาษาสากลเขาเรียกว่ามิลลิเมตรอย่างเงี้ยภาษาไทยเรียกว่าหุนภาษาของฝรั่งก็เรียกว่ามิลลิเมตรการนี้พอดึงไปแล้วมันได้ก็เรียกว่า สตริงเท่าไหร่แรงลับที่ออกมาเ็าเรียกว่าเทนชะันเทนชันคือแรงดึง ก, ก็มีภาษารับรองเป็นเรื่องเป็นราวกี่เคเอสซีมีหน่วยวัดแต่คนศึกษามาก็อ๋อมันรู้เรื่องนี้อย่างนี้นนแรงกดของไม้นี่เท่าไหร่เ็าเรียกว่าคอมเพนชันะกดลงไปกดลงไปกดลงไปรับแรงได้ลเล่าไหร่จนกระทั่งกำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานของเทศวัญญัตต่างๆในงานปลูกร้าง เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเท่าไรต่อพื้นที่ตารางเมตรหรือว่าเป็นอขอพักเป็นโรงแรมอาคารสาธารณะเท่าไหรอะไรก็เรียกว่าสาร์ละศิลป์นปัญญาทางโลกแน่นอนร้อเเ็นหาเงินหาทองได้อย่างมากมายยุคที่เป็นยุคที่ใครแค่ค้าขาใครค่ข า, ายขายทำอะไรก็ได้ประเทศไทยแต่ท้ายสุดระวังให้ดีตรงนี้ก็คือสุขโขทัยเจ็ร้อยปี ไทยจะก็ล่มสลายไปแล้วใคยค้าขายขายขายเมื่อคนมีความสุขมากๆก็เห็นแก่ตัวอันนี้เนะพราะฉะนั้นคนเห็นแก่ตัวจะอยู่คนเดียวไม่ได้มันจะเหงาจะว้าเวมันจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมันรู้ว่าขาดอะไรนะต้องอาศัยสื่อเชื่อมกับโลกใบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของประโยชน์ตนเมันจะเป็นเรื่องของอยู่คนเดียวมีความสุขมากๆเลยมีร่างกายมีจิตใจมีความสุขมากๆอยู่ไปวันๆนะั่นแหละอยู่ไปขนาเดียวขนาเดียวแล้วะ ไม่ได้วาดหวังอะไรนไม่ได้ทําอะไรแต่เพียงแค่ว่ามีเหตุปัจจัยต้องทําก็ทําไปแต่ทําเป็นทําดีให้กับโลกเป็นทําดีไม่ใช่ทําทดีเพื่อเราแต่ไปทำดีไว้เพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพับอากาศศัเพื่อแผ่นดินเพื่อธรรมชาติทั้งโลกทั้งใบอะไรเงี้ยระบบนิเวศวิทยาอะไรต่างๆเราก็มองเห็นแต่ท้ายสุดก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณน ที่เราจะต้องเหมือนกับว่าพัฒนาจนกระทั่งเหมือนกับว่าหลายคนได้ประโยชน์เพราะว่าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่คนพูดจริงจแล้วน้อยมากส่วนใหญ่ก็นเน้นเป็นเรื่องของอการอยู่กับโลกแบบกลมเกลื่อนโลกไม่ช้ําอย่างเงี้ย น, นะแต่เรื่ของอาการที่มันเรียกว่าการสอนธทำในภาคปฏิบัติการเนี่ยนะอันนี้จะเชียร์กันจริงจนะบอกเลยว่าน้อย เพราะว่าบางทีมันก็ต้องรับผิด ช, ชอบนะในสายหลวงปู่เทียนนี่ก็จะมีนะที่ปฏิบัติแล้วก็คนยอมรับจริงๆนะคนยอมรับแลักษณาของคนที่ต้องการฝึกจริงๆปัญญาชนจริงๆเท่าที่เห็นนะก็มีวัดสมพรรณะสะกวนครเอาไปเอาตายอะไรนะวันทั้งวันนะ่เช้ายันมืดเช้ายันมืดนะเขนให้ดินยกรมเข็นให้นางสร้างจั่วกันตลอดจะไปตรงกับสมัยหลวงปู่เทียนะ เทาที่เก็บข้อมูลมาศึกษาหลวงปู่เทีย น, เ, นยเข็นทำอย่างเดียวเลยทําให้ดูพูดแบบท้าทายถ้าทําไม่รู้อะไรหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนจ่ายเงินให้คุณมีกันเดือนเดือนเท่าไหร่จ่ายเงินให้เลยท้าทายขนาดนั้นนะจนกระทั่งหลวงพ่อเขียนได้ยินติกิติศักดิ์ไปศึกษาอยากรู้เรื่องบุญเป็นยังไงเรื่องบาปเป็นยังไงเรื่องของมรรคผลนิพพานเป็นยังไงแต่ว่า พอมาเป็นวัดป่าสูงโตหลวงพ่อขอมเขียนท่า น, นเป็นประธานนั้นก็ให้ทุกคนนะเหมือนกับท่านก็คือทุกคนมีศรัทธาทุกคนมีปัญญาก็คือมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าเรามาที่นี่ต้องการมาฝึกให้มีความรู้สึกตัวทั้งในรูปแบบทั้ง้องรูปแบบท่านะก็เน้นให้เราได้อยู่กับตัวเองให้มากเพราะการฝึกนี่การเชียร์การเขียนกันมากๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอก ะหลายคนเขก็ชอบหลายคนถูกบังคับมาไปเข็นเขามากๆบังคับมากๆก็าก็เค้นท้ายสุดศรัทธาก็หายไปเกลียดวัดเกลียดวาเกลียบพระเกลียบรูปแบบการปฏิบัติเกลียบวิธีการปฏิบัตินี้หลวงพ่อเห็นฯตั้งแต่มีวิสัยทัศน์เออให้คนมาอยู่ที่นี่แบบงดกดกรรมงามไม่ต้องไปเหมือนกับว่าบังคับทําำต้องคอยตีละฆังบอกเวลานั้นมาปฏิบัติเวลานี้มากินข้าว เวลานีนะ้ต้องมาทําวัดเสดมันไม่ต้องนะให้อยู่แบบเป็นศิสลาไปแล้วใครอยากทําวัดกระทำใครอยากทำวัดก็ไม่ต้องทำแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่คนเดียวเพื่อเห็นแก่ตัวนะอยู่คนเดียวเพื่าทำชั่วอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อยู่เพื่อฝึกตนสอนตนนะใหม่ๆเนี่ยเราเคลื่อนมือรู้สึกนะอาศัยบรรยากาศการยักัลยาณมิตรหน่อยดี มันเป็นยังไงบรรยายนของกัลยาณมิตรสิ่งแวดลอ้อมหมายถึงสองคนเคลื่อนไปมาทําร่วมกันยังไงก็ดีมันคอยที่จะเหมือนกับว่าเอาอีกคนเป็นครูเป็นตัวอย่างอีกคนง่วงอีกคนไม่ง่วงมันช่วยกันได้นอีกคนหนึ่งทาท่าจะเหมือนกับว่าไม่ทําแล้วอีกคนยังทําอยู่เมันเชียร์กันเองอีกคนมันแข่งกันเองแข่งอย่างนี้ดีเอามานะมาละมานะนะดีมานะนี่ละมานะได้นะ เห็นว่าเออเขาดีกับเราก็ตั้งใจปฏิบัติเห็นพระเัางดงามแล้วก็อยากดีเหมือนเขาเรียกว่ามานะเหมือนกันแต่พอเราดีแบบนั้นแล้วเรามีความรู้สึกทุกมันลดลงหรือว่าไม่ทุกแล้วแล้วก็อมาน่ามันก็หายไปเองนะเพราะว่ามาน่าก็เป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งที่ละเอียดด้วยเอาแล้วนะของตัณหามาลอตัณหาเนี่ยได้แน่นอนอยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ดีตรงไหนอ่ะดีนความอยากที่ดีก็มี มันอยากด้วยปัญญาอยากที่ไม่ดีก็มีอยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่อยากนอนขี้เกียจไม่อยากทำงานหลายสิ่งหลายอย่างอันนั้นไม่ดีเพราะนั้นอยากจะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอยากจะเดินจงกรมอยากจะเป็นเหมือนมลงพ่อคำเขียนอยากจะเป็นเหมือนหลวงปู่เทียนอยากจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าเขาเรียกธรรมกาโมระวังโหหิธรรมกาโมกาเมมันมีอยู่ธรรมกาโม ผู้ใครในธรรมเป็นผู้เจริญถ้าทำมกาโมนะัไม่ดีกาโมคือใครในกามมันจะส่งผลไปสู่ความเดือดร้อนวิปฏิสานต่อไปเวลาเรามีความรู้สึกตัวปั๊บจิตมันจะไม่เดือดร้อนเลยจะปกติแต่แล้ที่เกิดปิติขึ้นมาคนอยู่กับตัวเองมากๆมันก็เริ่มมีจิตสํานึกอะไรไม่ดีเคล็ดลาบจิตสํานึกเนี่ยทำให้เกิดปิติดเรียกว่าอารมณ์บุญนะั้นจะเกิดขึ้นมา คิดดีพูดดีทําดีสาบสซ่านเบาเนื้อเบาตัวกายแล้วตาจิตแต่แล้วตากณะปฏิบัติไปเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจะมีความสุขกับการปฏิบัติแต่ใครมีความสุขกับการวลาประเพณีจะเดินทนจะอยู่คนเต๋อเองคนเดียวจะนั่งสร้างจังหวะทนมากจะปลีกวิเวกจะไม่คุกคลีเพราะมีความสุขอยู่ในตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเคยไปหาความสุขนอกตัวเขววาเรียกอามิสุขวัตถุหนึ่งสอสามบุคคลหนึ่งสอสแต่ตอนนี้เป็นนิราไม่สุข สุขทิมต้องอีกอามิตรนะมันอยู่กับตัวเองเออมันมีความสุขจะตายไปสงบระงับมีพลังนะเราทายสุดก็คือมันเกิดสมาธิตั้งมันขึ้นมาเกิดมือรู้สึกน้าตั้งมันดีดีเดินอยูก่ก็มาตั้งมันดีดีดเผลอๆม่อยากกินข้าวมัอยากนอนเด้อละ่ะนะเพราะว่ามันมันเล่งความเพียรมันเห็นรอยต่อต่างๆจุดอ่อนต่างๆที่ละเอียดลงไปนะไท้ายสุดก็คือไอตัวละเอียดละเอียดที่ว่าคือความสุขนนั่นเอง เราเดินเพราะติดสุกนี่หว่าเนี้ยเรายกมือเพราะติดสุกนี่หว่าจะว่าตัวเองนี่ยพะโถเอ้ยเพื่อนเรามองเราแปลกๆเรื่งเยอะแยะไปหมดนะเรามาบ้าทําอย่างเงี้ยโอ้โถก็ทํางานก็เลยกลายเป็นการกลมเกลือแล้วเริ่มออกไปประสานงานกับเขาแล้วทํางานโดยไม่ต้องทุกข์นะเริ่มเห็นแล้วคนหลงทํางานคนรู้ทํางานเห็นแล้วไม่มีความแม่นยําชัดเจนเป็นฤทธิ์เป็นเดดทําได้สําเร็จก็ทําไม่สําเร็จเกะกะไปหมดนะแต่มันก็เห็นอยู่ ตัวนี้เราเหมาะแก่การงานจิตแบบเนี้นะไปทํางานอะไรก็ไปทําเถอะนะแต่มันจะทําตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้นขนกวายมากนะในเรื่องของกิเลสพาทำในเรื่องของปัญญาพาทำทำแล้วสร้างสรรค์ทีเดียวนะเสร็จแล้วพอมันเห็นสุขที่เกิดจากอาการแบบเนี้ยทํางานก็ติดสุขบ้า ง, งานบ้าดีติดดีทุกขเพราะความดีร้องไห้ความดีทะเลาะเบาแว่งกันขัดแย้งกันยอมไม่เป็นเย็นไม่ลงนะมีแต่ร้อนลุ่มอย่าี้ยมันก็ออกปกติมันมีอยู่ เราได้เห็นแล้วเป็นตัวกระบวนการปัญญาเห็นกายปกติเห็นวาจาปกติเห็นจิตปกตนะิเห็นความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวนอกรูปแบบก็มีเหมือนกันแต่จนะเป็นเรื่องที่มันพัฒนานะานั้นเหมือนกับเป็นเรื่องของภาวนาได้ทั้งฝึกจิตฝึกกิตนะ ก, ก, กิจ ก, กรกอไก่จอจานนะทํางานทําการไปด้วยได้ดูจักดูจิตดูใจดูกายไปด้วยนะกับฝึกจิตโดยตรงก็คือการปฏิบัติธรรมนะ ไปคุยได้คนเดียวเงียบๆจะนั่งเห็นแล้วอ๋อมันมีการสัมผัสสัมพันธ์มากมายเหลือเกินเกิดการปล่อยวางกันมาเบื่อหน่ายคลายจางขึ้นมาตัวเนี้มันเกิดวิมุตต์หลุดพ้นทํางานก็หลุดพ้นจากความไม่ดีบ้านไม่ดีซ่อมให้มันดีนะหลุดพ้นหลังคารั่วซ่อมให้มันดีรูฝาลมมันพัดพาเข้ามาหน้าต่างไม่ดีก็ทําให้มันดีขึ้นมาห้องน้าไม่ดีมีคนก็ทําไว้สกปรกก็ไปทําให้มันดีขึ้นมา จะหนามันก็สนุกงน้ำเย็นเย็นตื่นตัวดีสังเกตได้ปริยาการต่างๆนมันเกิดอาการขึ้นมาที่เรียกว่าบิมุหมดหลุดพ้นในทุกๆสถานการณ์ใจของเราที่เคยติดเกยยึดต่างๆต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการกลายเป็นว่ามีความกลืนกลืนกลมกลื น, นเห็นโลกตามความเป็นจริง แล้วเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตรงนี้โดยว่าเรื่องจิตใจเวลามันกระทบสัมผัสภาษาที่เร า, า, าวิญญาณจักสูุวิญญาณโสตต่างวิญญาณชิวหาวิญญาณคันนัวิญญาณนี่ยตัวนี้ลอยต่อตัวนันม่เห็นชัดผมมารู้แล้วหลุดรู้แล้วหลุดรู้แล้วหลุดกลายเป็นสัคตะวะสัคตวะสัคตะวะตัวนั้นแหละมันคือวิมุตต์แหละถ้ามันไม่มุดปับ๊บมันมันก็หลุดพ้นทันทีแต่ถ้ามันเชื่อมเมื่อไหร่นะมันเชื่อมเมื่อไหร่ก็เรียกวิวัตะ มันเชื่อมอะไรมันเป็นวัตตานะพอเป็นวัตตาปั๊บเนะี่ยมันกลายเป็นสะพานเชื่อมเราก็จมอยู่กับโลกใบเนี่ยนะพอตาดูก็จมอยู่กับโลกวัตถนะุปรุงแต่งจะเป็นความพอใจไม่พอใจพอฟังก็เหมือนกันมันเชื่อมเลยนะกลายเป็นความพอใจไม่พอใจมันไม่เห็นรอยต่อของการกระทบสัมผัสของสมมติบัญญตัติตรงนั้นนะตัวนี้เราจึงฝึกตึงหัดกันให้เป็นเรื่องของชีวิตของเรา แล้วเราก็ได้ใช้ใกายใช้ใจของเราเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ศึกษาพระธรรมทุกมันเกิดจากที่ไหนหเหตุแห่งทุกมันเกิดอย่างไรการก้าวล่วงออกจากความทุกข์มันเกิดยังไงวิธีการต่างๆรูปแบบที่มันมีในการฝึกตนสอนตนเป็นกุศโลบายกุสโลบายหมายถึงอุบายที่เป็นกุศล น, นะ ก, ลกุศลกุศลบายหรืออุบายผสมกันสมาทกันก็เรียกกุศโลบาย การเคลื่อนมือนะเป็นกุศโลบายนะทาให้จิตใจของเราที่เคยพุ่งพล่านออกไปนอกเนื้อนอกตัวนะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวก่อนอันดับแรกทําตรงนี้ให้เกิดสมาธิซะก่อนไม่ต้องสงสัยว่าทาไปทําไม่ทา ไ, ไม่ต้องทำทดลองทําอย่างที่หลวงปู่เทียน ท, นท่านท้าทายทดลองพร้อมเขียนท่านก็ปล่อยนะมีศรัทธาไม่อนุญาตก็ทำํำเองนะเรือ ก, กรรมหมดหมดกรรมนะหรือว่ามันพ้นจนทั้งเหมือนกับว่า ระดับจิตของเกิดระดับจิตของเรามันเกิดความอยากนะอยากที่จะรู้เรื่องของธรรมะนะอยากรู้เรื่องของการปฏิบัติวิธีปฏิบัติอย่างชาัดเจนตรงนีนะ้ต้องให้มันเกิดภพภูมินี้ขึ้นมาก่อนนะอยากปฏิบัติอยากเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเพราะว่าที่ผ่านมามันมันเหมือนกับว่าไม่ได้คําตอบคําตอบเนี่ยที่เราว่าได้คําตอบได้คําตอบเนี่ยลองลอ ง, ลองแบบเป็นแบบนี้ดูนะนัวิชธรรมลองไปเผชิญ เจอโจทย์ที่ไม่ใช่เราเป็นผู้กระทําฮะที่ไม่ใช่เราเป็นผู้สร้างโจทย์ให้ผู้อื่นก็นสร้างโจทย์ขึ้นมาโลกนี้มีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดมีสุขมีทุกขน์นะไอโจทย์พวกนี้ทําแสดงออกมาแล้วเรารักษาใจของเราได้หรือไม่ะจิตใจเรายังเป็นปกติดีอยู่หรือไม่นะมีปัญญารู้เท่ารู้ทันผัสสะหรือไม่เห็นการเกิดดับของผัสสะหรือไม่ของอารมณ์หรือไม่ตัวนี้ ถ้าเราสามารถที่เหมือนกับว่าได้คำตอบตรงนี้มันหายสงสัยแน่นอนตัวหน้าคือความก้าวหน้าคือตัวพัฒนาที่เราภาวนาภาวนาคือจิตใจของเราที่พัฒนาขึ้นมาจากโลกสู่ธรรมแล้วก็จากธรรมมาสู่โลกมันเป็นที่สุดของชีวิตจริงๆนะพวกเราเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเราพระจำนวนเจรูปอุบาสกจำนวนหกท่าน อุบาสิกาจำนวน12ท่านนะก็ถือว่าเป็นเป็นโชคแล้วล่วนะปีใหม่ที่เราจะได้เหมือนก็ว่ามีชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นมาดีกว่าเก่านะพ่อแม่ก็เป็นคนเดิมนะส า, ามีก็เป็นคนเดิมลูกๆ ก, ก, ก็เป็นคนเดิมพิาหายก็นคนเดิมนะแต่จิตเราใหม่ขึ้นนะมันเหมือนกับว่าไม่ทุกข์กับปัญหาเก่าๆนะเขา้าวนไบเราไม่วนไบปัญหามีแต่ใจเราไม่ทุกข์ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนีะก็เหมือนกับว่าการแก่การเจ็บการตายในตัวก็เป็นแค่เทวทูตเฉยๆที่เป็นธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เรากำลังเดินทางไปสู่ความตายแ น, น่นอนตจิตของเราแหละก็เดินทางไปสู่นิพพานเราเห็นช่องเห็นทางชัดเจนเราเดินทางมาสู่ทางสายกลางความเป็นปกติของจิตแล้วมันก็กำลังเดินทางสู่ความละเอียดอ่อนลงไปลไปึกซึ้งทราบซึ้งนะพระเจ้าเลยบอกว่าธรรมะนะมันคือ ธรรมชาติที่ลึกซึ้งนะรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากแต่ว่าผู้รู้วิสัยบัณฑิตนะรู้ได้แน่นอนนะเพราะเราสร้างวิสัยบัณฑิตกันก็คือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะจนถ้ามันรูนะ้รอบกองสังขารนะจนถ้ามันเหมือนกับว่ามันหายสงสัยนะไม่มีวิธีคิดฉาจิตนะก็จะเดินทางไปตามกฎของธรรมชาติยิ่งยิ่งขึ้นไป อย่างเนี้ยนะเราจึางช่วยโอกาสละหยุดยาเดอจะได้ถือโอกาสไปรำรรโดยไม่ต้องเหมือนกับว่ามีใครมาคอลหานินตาหาว่าเรามีปัญหามีความทุกข์หนีเข้าวัดไม่ต้องกระลายเป็นมาแบบมุ่งมนทำงานสวยงามทีเดียวชีวิตของพวกเราก็ขอให้เวลาที่เรามีอยู่ได้ ใ, ใช้กับการฝึกสติจนกระทั่งเหมือนกับว่าเห็นธรรมะสมควรแก่การแบบ จนทั้งมีความสุขเกษมสารตามกำลังของสติของปัญญาโดยทั่วนากันทุกคนทุกท่านนั้นเติม